มันหนักผิดปกติหลังจากที่ผมเข้าห้องน้าเสร็จเรียบร้อยผมจึงเดินกลับมาที่เตียงและต้องเดินผ่านโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นแล้วสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นที่กระจกบานนั้นมันคือภาพสะท้อนจากเตียงที่แอมนอนอยู่ที่เตียงนั้นมันมีผู้หญิงผมยาวอีกคนนอนอยู่ข้างๆและเอามือนั้น